เป็นไปเป็นจา้าเป็นวัดเป็นโรคสรพัะ ร, ร่างกายเอาอะไรแน่นอนกับมันเอาอะไรแน่นอนกับมันไม่ได้สักยางท่านจึงไม่ให้ตายใจกับมันนะร่างกายร่างกายนี้ท่านจึงไม่ให้ตายใจกับมันตายใจไม่ให้ตายใจกับมันให้ดูที่ดู ให้พิจารณาท่าให้ดูหลักของทั้งขาเก็คืออันนี้จังตุก้อนนักตาซึ่งเป็นหลักของมันเราฟังจนเรื่อนหูเราพูดจนคล่องปากอันนี้จังทุก้อนนักตาแต่ถ้าหากเราไม่เคยย้อนมาดูเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือพอที่จะ มาช่วยชี้ช่วยบอกว่าร่างกายนี้ไม่ให้เราตายใจกับมันเราเห็นร่างกายเป็นอนิจจังทุกขมะนิตารท่านให้เห็นเพื่อไม่ให้ตายใจกับมันเพราะตายใจกับมันไม่ได้มันเป็นไปตามภาวะของมันมันเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมัน ร่างกายเป็นไปนตามเหตุตามปัจจัยของกายจิตใจที่ประกอบไปด้วยกิเลสก็เปลี่ยนแปลงไปตามภาวะที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยของกิเลสของมันนะ่ะแหละแต่ใจที่บริสุทธิ์คือใจที่ชำระได้ขัดได้เปล่าได้อันนั้นไม่อยู่ภายใต้อำนาจของอนิจจังทุกขังอนัตตาตัวกิเลสที่เหลื ตัวที่ไปเปลี่ยนแปลงร่างกายและจิจใจนี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นเรื่องที่เราจะต้องศึกษาให้เกิดความรู้เกิดความเข้าใจถ้าไม่รู้ไม่เข้ใจแทนที่เราจะยอมรับเราไม่ยอมรับร่างกายต้องเจ็บแต่เราไม่ยอมรับว่ามันจะเจ็บคิดแก้ไขวุ่นวายอยู่ในหมมัวอกหัวใจคิดอยู่นั่นแหละ แก่อางนั้นกแล้วเก่นี้ก็แล้วแต่การแก้นั้นถูกต้องเป็นหน้าที่ที่เราจะต้องดูแลรับผิดชอบแต่ก็รับผิดชอบตามเหตนตามปัจจัยไปหายก็หายไม่หายก็คือไม่หายเพราะว่ามันจะต้องตายเจ็บแล้วมันก็จะต้องตายหายก็หายไม่หายก็คือหายคือยอมรับว่ามันเจ็บเจ็บใครได้ป่วยยอมรับ ด้วยการเห็นเหตุเห็นปัจจัยของมันว่ามันจะต้องเจยบจะต้องป่วยทําไมมันต้องเจ็บต้องป่วยเพราะสําคัญภายในตัวมันเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตัวเองทุกระยะทุกเวลาทุกนาทีทุกวินาทีมันเปลี่ยนแปลงการเปลี่ยนแปลงของมันก็คือมันทํางานนในในหน้าที่ของมันมันทํางานประสานกันมันทํางานบทย่อย มันกับรองงานรองหนึ่งในร่างกายของเราถ้าเราจะเทียบลงมันอะไรมันกับเรารองสีเนี้ยรองศีพอติดเครื่องเช็ดเส้นสายใหญ่อะไรอะไรระโยองระยามันกัช็ดจักจักรตามเรื่องพวกนีใส่เข้าเข้าไปมันกับบดมันก็อัดมันก็ขับมันก็ปัดมันก็ดึงขึ้นดึงลงอย่างนั้นแหละไปตามระบบระบบระเบียบเข้ามาหนัหนักสังคาญ สังขารสังขารสิ่งประกอบกันนะรองมันรองสีรองตาลเงี้ยรงงานทั้งหลายมันปวงมันขับนนมันขับนี้มันอัดนมันอัดนี้มันทํานู้นมันทํานี้ตามหน้าที่ของมันร่างกายของเราเป็นโรงงานที่ใหญ่ใหญ่มากกว่านั้นอีกระบบลมระบบเลือดระบบประสา ระบบทุกอย่างมันทำตามหน้าที่ของมันเพื่อให้ร่างกายนี้อยู่ได้ภายใต้อานาจของกรรมภายใต้อานาจของกรรมโครงสร้างที่มันเอามาทำก็คือมาันจาับท่าดินทา่าน้ำทานลมทานไฟนี่คือโครงสร้างที่มันเามาทำเกิดแต่อานาจของกรรมเกิดในท้องแม่ทุกคนเกิดในท้องแม่ เกิดจากท้องแม่สังขารของพ่อกับสังขารของแม่ประกอบกันเหมือนกรบนายช่างที่ไปสร้างโรงงานนั่นแหละเรสร้างขึ้นมาแล้วอันนั้นเป็นนั่นนี้เป็นนี่เป็นโยงเป็นใหญ่ใช่ไปใช่ไปไปใช่ไปอันนั้นหลุดใช่ไปใช่ไปใช่ไปอันนี้หักใช่ไปใช่ไปใช่ไปอันนั้นขาดใช่ไปใช่ไปอันนี้เสียมันก็เป็นอยู่อย่างนี้เลยร่างกายของเรามจนเดียวกัน ทำไปทำมาทำมาทำไปด้วยเหตุที่ว่ามันปรุงเองได้อะไรได้ปรุงเสนปรุงเนื้อปรุงหนังปรุงอะไรขึ้นมาบทีมันเกินขอบเขตก็มันปรุงไปปรุงไปเกิดเป็นเนื้อเนื้อเกินเกิดจําเป็นเนื้องน่อย่างนี้เนื้องอกาเป็นมะเล็นปัเป็นอะไรัง้งเป็นไอเป็นจามเป็นสารพัดแล้วแต่มันจะเป็ี่ยนสรุปลงว่าสัางขารกองนี้คือสังขารที่จะต้องเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีก็คือเราอยู่สุขสบายเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ม่ดีก็คือเราอยู่ทุกข์ยากลงบากต่างดั น, ดนต้องกินอยู่กินยาต้องบริหารบริหารในขณะเดยียวกันเราต้องใส่พลังงานไปให้มันร่างกายนี้ก็ต้องใส่พลังงานให้กมันพลังงานก็คือถ้าดินน้ำลงไปจากข้างนอก จากอาหารจากน้ำจากน้ำจากผ้าจากข้าวปลาอาหารผักผลไม้ต่างๆที่เราใส่เข้าไปแล้วบดมอนก็ขับมันก็ย่อยไปเราเห็นว่ามั น, ม, นมันมีอะไรคงที่มันไม่ไม่มีอะไรคงที่พอเราใส่ไปในกระเพาะปั๊บกระเพาะมันก็เริ่มย่อยย่อ ย, ยไปย่อยไปเย่อยจากกระเพาะมันก็เป็นลำไส้เล็กจากลำไส้เล็กก็ต่อลำไส้ใหญ่ ไปไปไ ป, ไ ป, ไปส่วนที่ไม่เกิดประโยชน์ก็ไปกลอมมันอยู่ที่ปลายถารนะลาไส้ใหญ่รสชาติของอาหารที่จะพึ่มเกิดประโยชน์กับร่างกายร่างกายกะดูดร่างกายก็ดูดซึมเข้าไปสร้างเนื้อสร้างหนังสร้างเซลล์สร้างทุกส่วนของร่างกายในส่วนที่มันจะเพิ่มสร้อน นี่คือเหตุคือปัจจัยที่ทำให้เรามองเห็นเหตุเห็นปัจจัยของมันร่างกายนี้อยู่ด้วยด้วยเหตุด้วยปัจจัยนี้และเหตุปัจจัยนี้มันเป็นคติของมันมั น, เ ป, น, เ, ปนเป็นทางของมันใครไปดัดแปลงไม่ได้ใครดัดแปลงไม่ได้ระบบที่ละเอียดขึ้นไปอีกระบบประสาททางความรู้สึกสัมผัสสมัสมพันธ์ไป สู่ประสาทไปสู่สมองไปสู่อะไรอะไรเพื่อที่จะทํางานประสาทประสานกับด้านนามธรรมให้คล่องแคล่วขึ้นมันสมองเนี้ยประสาทตาประสาทหูประสาทลิ้นประสาทกายเป็นประสาทที่รับสัมผัสสัมพันธ์นี่ยทําเกิดความรู้สึกประสาทต่างๆ่างเหล่านี้ก็เสื่อมเสียสูญหายเสายไปเหมือนกันยังของอยู่ปกติก็มีอยู่อย่างนี้แหละตรงนั้นเสื่อมไปตรงนี้ สูดไปตรงนั้นจเจริญขึ้นมันไม่ต่างอะไรกับผิวดินที่เราเดินเนี่ยเลยเวลามีพายุเวลามีฝนตกเวลามีน้าํามันชักมันลากมันไล่จากที่สูงลงไปสู่ที่ต่าจากที่ต่าๆกลายเป็นที่สูงจากที่ไม่เคยมีดินก็ดินพัดไปกองไว้เมื่อมีดินเก้าขึ้นมาแล้วก็มีสิ่งต่างๆที่จะพึงเกิดขึ้นมาจากอำนาจ ดินไปกองอยู่เป็นพืชเป็นหญ้าเป็นอะไรสารพัด ท, ที่จะพึงโปร่งบนผิวโลกในอัตภาพร่างกายของเราเช่นเดียวกันเปลี่ยนแปลงไปทุกระยะทุกเวลาทุกนาทีทุกวิ น, นาทีเกิดจากสังขานของพ่อกับสังขารของแม่ประกอบกันจากธาตุของพ่อกับธาตุของแม่ประกอบกันประกอบกันในท้องแม่จากนั้นกรรมกรรมมาจับจองกรรมมากับจิตพอมาจับจอง ก็เลยทําให้ธาตุทั้งหลายนี้จเจริญ ง, งอกเหนืงอก ง, งามมาเป็นรูปเป็นร่างเป็นคนเป็นสัตว์ตามเพศตามภาวะการเกิดเป็นมนุษย์การเกิดเป็นสัตว์ตามอำนาจของกรรมกรรมดีมากกรรมดีน้อยกรรมดีมากหน่อยก็เป็นมนุษย์กรรมดีมากเพื่อนี้ไปก็เป็นเทวดา แต่เทวดาไม่มีท้องไม่ต้องเกิดเกิดในท้องแม่เหมือนมนุษย์เทวดามีรูปก็จริงอยู่มีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณก็จริงอยู่เป็นเป็นอกปะปาทิกะดกำเนิดกำเนิดโดยผลขึ้นแม่พ่อแม่ของเทวดาก็คือกรรม พ่อแม่ของสัตวนรกเท่าไรทุกปัวก็คือกมไม่ต้องมีทัพพ่อทัพแม่ไประสมกันเหมือนมนุษย์มนุษเป็นภ พ, พ, พ, พชาติที่อยู่ถ้ำกลางเป็นภกชาติที่แสวงคุณงามความดีได้เป็นโลกที่หาได้เไม่ใี่แก้วพระบาเป็นโลกที่หาได้โลกมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ ขฟังาาได้ยินได้ฟังได้ฝึกฝนได้อบรมนี่ศาสนามีข้อประพฤติมีข้อปฏิบัติรูเรื่องรู้ราวการรักษาศีลการประพฤติธรรมการปฏิบัติธรรมต้อมาเกิดในโลกมนุษย์ที่เกิดในโลกเลยก็ไปเกิดตามอำนาจของบุญของกรรมไปสวยผลไปเป็นศาสนาโองนี่ก็ไปสวยผลไปเป็นเดรัจฉานนี่ก็ไปสวยผล อยู่จนกว่าจะหมดพภพหมดชาติกี่วันกี่เดือนกี่ปีกี่กับไมอยู่จนหมดบรรดาอายุไขเป็นเป็นเทวดาชั้นยาตุ้มดาวดึงยามาดุสิบสูงขึ้นไปโดยลาดับจนเป็นพระพรหมชั้นนนชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นขึ้นไปโดยลำดับเขาถือว่าละเอียดพระนิ่ขึ้นไปตามความละเอียดพระนี่ของกรรมกรรมที่มากับจิต กรรมทั้งหลายเกิดจากจิตจิตสะสมอบรมสิ่งใดไว้สิ่งนั้นเป็นกรรมเช่นอย่างจิตอบรมสังสมความสงบเนี่ยความสงบของจิตหนึ่งเพราะเหตุทุกเห็นโทษจากการนึกการคิดมากของจิตคิดไปคิดมาคิดจนเดือดรานคิดจนจนเป็นโรคประสาทก็เลยมาหยุดคิดเมื่อหยุดคิดเวลาตายแล้วก็ไปเกิดเกิด ชันตปรง่งสวยสวยสวยผลตามอำนาจของกรรมอารมณ์ทั้งหลายที่ที่เข้าถึงเข้าอยู่อารมณ์อยากอารมณ์ละเอียดเพื่อไมให้จิตมันมันนึกมันคิดอะไรมากนึกคิดอยู่กับเรื่องเดียวเพื่อให้จิตจะได้รับความสงบสงบจากกิเลส จิตเรียนไม่พาคิดไม่พาบุนบายตายกันแล้วก็ไม่มีโลกอีกโลกหนึงอยู่สงบเป็นโลกรพระพรพิจรารณาสิ่งที่เป็นรูปพิจรารณาดินน้ำลมไฟพิจรารณาสภาพร่างกายพิจารณาเพื่อให้เห็นโทษเห็นภยัยยังไม่ถึงขั้นเห็นโทษเห็นภยัยตายกันแล้วมีคุณสมบัติสิ่งเห่านี้ติดตัว ก็ไปเกิดตามพบตามภูมิที่ควรเกิดกรรมของตัวเองพิจารณาสิ่งที่ไม่ใช่รูปที่เรเรียกว่าอรมณอารมณก็ไปเกิดในพรอมที่ไม่มีไม่มีไม่มีโรคมีแต่นามไม่มีตัวไม่มีไม่มีตัวนั่นเถอมีแต่ไม่มีรูปมีแต่นามมีแต่เวทนาสัญญาสังขารอิานมีแต่อาการของจิตมีแต่อาการของใจเวทนาสัญญาสังขารอิจานเป็นขันเครียกขันสี าพบที่มีขันธ์ทั้งสี่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันธ์คุณชื่อว่าขันธ์เป็นผลผลของกิเลสทั้งหมดไม่ใช่ผลผลของธรรมะถ้าเป็นธรรมะก็เป็นธรรมะที่ยังอยู่ในขั้นที่ว่าอุบัติขึ้นที่นู่นที่นี่ไม่ใช่ธรรมะด้วยเหตุที่เป็นอกุปรธรรมไม่กำเริบไม่ต้องไปมีภพมิจฉาที่ไม่ใช่ เป็นมีพกมีภูมิแต่ถ้าเป็นธรรมะที่จำระได้ขัดกลาวได้เป็นอกุปปธรรมได้ก็ไม่ไม่มีไม่มีขันโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีเพราะสิ่งเหล่านี้เป็นผลผลของกิเลสที่เกิดขึ้นจากการสำคัญมั่นหมายจากการยึดมั่นถือมั่นโดยอุปาทาน ผูทท้ที่ทันละได้คือทันลได้ด้วยด้วยการเข้ามารู้เข้ามาเข้าใจรู้เหตุรู้ปัจจัยทำให้จิตตรงนี้เกิดความรอบรู้เกิดความฉลาดขึ้นมาแล้วก็ปล่อยช่นนั้นปล่อยช่นนั้นปล่อยฉชนนั้นปล่อยฉะนั้นลอยประ ล, ะละวานจากการยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานอำนาจของความอยากไปในหวัวใจมันก็ปลนลงป่นลงปลงนลงมันหมดแรง หมดแลเหลือแต่ผู้รู้หรือผู้รู้แต่ไม่มีความอยากหมดความอยากหมดผู้อยากกิเลสคือผู้อยาก mm. เกิดเกิดขึ้นด้วยอำนาจของความอยากเมื่ออยากแล้วพันนึควาพทิศฟุ้งสร้างราคาญออกไปสร้างรถสร้างรากสร้างพบสร้างชาติเกิดตัณหาเกิดอุปาทานเกิดพบเกิดชาติเรื่องหัว เรื่องของกิเลสมันก็มีเกี่ยวพันกันอย่างนี้ไม่จบไม่สิน้นเกี่ยวกับเรื่องโปรคประทัเกี่ยวกับเรื่องนามธรรมท่ทานจึงให้หบอกให้เห็นเพื่อไม่ให้ตายใจเกี่ยวกับโรคประทับไม่ให้ตายใจเกี่ยวกับเรื่องนามธรรมใช้สติใช้ปัญญายพิจารณาเห็นถ้าไม่เห็นแล้วมันมีเรื่องอํานาจของกิเลสมาบดมาบัาบางทำให้เราเข้าไปรู้เห็นเหตุปัจจัยที่แจ่มแจ้ง ว่าเห็นนั้นเป็นสิงนั้นเหตุนั้นเป็นสิงนั้นเหตุนั้นเป็นไปเพื่อนั้นเห็นนั้นเป็นไปเพื่อนั้นมันมองไม่เห็นท่านจึงให้เราศึกษาให้เราพิจารณาให้เกิดความฉลาดความฉลาดนี love, ้เป็นความฉลาดเพื่อที่จะมารู้สาเหตุคือต้นตอของตัวสมุทัยอย่างแท้จริงเพื่อที่จะมารู้เท่าทันความรูกความเข้าใจเพื่ออำาจของความอยากที่มีอยู่ในหัวใจความอยากมีอยู่ในหัวใจ ความอยากตรงนี้เป็นตันหาอยากบางอย่างที่เรียกว่กรรมทันหาอยากบางอย่างถี่เรียกว่าภวะทันหาอยากบางอย่างก็เป็นวิภวะทันหามันเป็นลำดับภูมิชั้นของความอยากแต่มันสรุปแล้วก็คือความอยากกันเดียวกันนะภายในจิตดวงเดียวกันความอยากกิริยาของมันคือมันดิ้นรนมันทะเยอทะยานมันแสวงหา ได้เท่าไรไม่พอได้เท่าไรไม่พอด้มากกาความอยากได้เท่าไรไม่พอได้สิ่งนี้เราไปอยากสิ่งนั้นก็เสวยหาสิ่งนั้นต่อเสวยหาสิ่งนั้นพอแล้วแบได้สิ่งนี้เสวยหาสิ่งนี้ต่อยากไม่มีจุดจบอยากมากมายมหาศาลไม่มีไม่มีไม่มีจุดจบไม่มีจุดเปรียบเทียบไม่ได้น้ำในมหาสมุทรยัเปรียบเทียบไม่ได้ความอยากมีมากมายมหาศาลมากกว่านั้นความอยากตัวนี้แหละเป็นกิเลส ที่มาพันหัวใจของคนของสัตว์ให้ทุกข์ให้ร้อนให้เดือดให้ดนันอยู่ทุกวันนี้เราดิน้นร้อนร้อนร้อนทุกทุทททุกแต่เราไม่เคยย้อนมาดูที่เหตุของมันที่มันกระซิบกระซาดให้เราวิ่งตามทุกระยะทุกเวลาทุกนาทีทุกวินา ท, ท, นา ท, ท, นาทีไม่ว่าลื่นหลับตืน่นลืมตาจินยึดดิน้นด้วยอำนาจขอความอยากดิ้นรนเทียวทะยานด้วยนาของความอยาก การปฏิบัติธรรมเขาเพื่อที่ย้อนมานาะมาให้เห็นความอยากใน ม, มันใจของตัวเองถ้าเรามองมาแล้วมันเห็นยากให้เราจับจับผลที่จะเพิ่งเกิดขึ้นนะจับผลอย่างไดอย่างหนึ่งได้กใ็ให้เราย้อนให้เราย้อนว่าโอ้คนอันนี้มันมาจากไหนย้อนไปย้อนไปย้อนไปมาจากเหตุคือความอยากไม่เชืเ่อลองลองย้อนดูเราไปทําอะไรบ้างเราไปคิดอะไรบ้าง เราไปสะสมอะไรบ้างเราไปขวนขวายอะไรบ้างเราก็ย้อนไปย้อนไปย้อนไปเราจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากอานาจของความอยากในหัวใจของเราอยากเป็นออยากมีสิ่งที่เป็นวัตถุอยากมีนั่อยากมีนี้อยากมีนั้นอยากมีนั้นผลประโยชน์นั้นเพื่อประโยชน์นั้นผลประโยชน์นั้นมันก็ยองเป็นในการดูว่าเห็นประโยชน์ เพราะว่าร่างกายนี้จะต้องใช้สอยเพื่อประโยชน์ของร่างกายเพราะร่างกายนี้เพราะร่างกายนี้เป็นผลเกิดขึ้นมาแล้วเป็นวิบากที่เกิดขึ้นมาแล้วมีแล้วเป็นผลวิบากด้วยอำนาจของกรรมที่เกิดขึ้นจากจิตลิแต่ความเป็นธรรมความเป็นมนุษย์เสียธรรมก็ทำให้ได้ดอุบัติมาเกิดเป็นมนุษย์ มีความมีความคลิกมีสติมีปัญญาที่จะเอามาพิจารณาให้เห็นเหตุเห็นผลได้อย่างรวดเร็วไม่เหมือนสัตว์อื่นพวกอื่นแต่ พ, พวกความเป็นความรูม้ถึงสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขได้เรียวจากปุถุชนธรรมดาธรรมดาพิจารณาเกิดความรู้เกิดความมีเกิดความบ่อยใจเป็นอภิญชนได้แต่ถ้าเป็นโลกสัตว์เลี้ยานเป็นพระสาทเป็นสัตว์ที่ภาพประสาท เป็นสัตว์ที่ไม่ขวรเป็นสัตว์ที่ไม่เหมาะต่อการรู้ทำเข้าใจทำรู้กว่ารู้น้อยมากเคยไปเกี่ยวข้องกับเกี่ยวเกี่ยวข้องนิดเดียวน้อยเดียวชีวิตทั้งชีวิตเช่นอย่างลิงกับช้างเลไล่เนะี่ยที่ไปรับใช้พระเจ้าก็มีมีต้นมีตนานาอยู่แค่นั้นที่สัตวั้งหลาจะไปทําำความดีโคส ก, าาสกา้าหมาโคสก้าอเนี้ยห่อหอใหอนะกับพระปฏิเจกเนี่ย ก็มีผลเมียในสงตายมาแล้วไปเกิดเป็นขอ้อสกะเทพพระบุตรเสียงกล้องอยู่บน ส, สวรรชั้นดาวถึงผลที่พที่เขาจะพึงได้มีส่วนเกี่ยวข้ อ, ของไม่เหมือนมนุษย์ไม่เหมือมนตอเทวดาก็าดีขึ้นไปกว่ามานุษย์แต่ว่ายังอยู่ในพระภูมิที่สวยกรรมถูกกรรมจำกัดโอกาสที่จะมาดิ้นรนละเห็นในปัจจุบนันทังดวน ในเมื่อกรรมเป็นเป็นกำรรที่ละเอียดพระนี่ขึ้นไปถึงขนาดนั้นแล้วก็ไปติดติดรสชาติของกรรมทเทวดาทั้งหลายอยู่ชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นเขาติดรสชาติของกรรมที่เขาควรมีคนโหยจากพบชาติที่เขาเคยทําตั้งแต่สมัยอยู่ในโลกมนุษย์ไม่เหมือนมนุษย์เพราะฉะนั้นจึง เ, เห็นทุกไดย้ยากเห็นทุกเห็นสมุทยไดย้ยากแต่โลกมนุษย์ไม่เห็นทุกเลยง่าย ทุกแก่ทุกเจ็บทุกตายนี่ทุกโรคทุกภัยทุกไอทุกยามนี่แหละมันเลยมันเลยไม่เบื่อน่ายมันเห็นยากมันก็เลยเบื่อหน่ายยากโลกรนุษยเราเห็นง่ายเบื่อหน่ายง่ายไปที่โรงพยาบาลเราจะเห็นหมดทุกอย่างเกิด อ, อยู่นั้นแก่แล้วเจ็บอยู่นั้นตายอยู่นั้นไปดูโรงพยาบาลเจ็บอะไรได้ป่วยมีทุกอย่างมีทุกเรื่อง ต้องพาต้องตัดต้องดูแลต้องรักษารวมแล้วก็คือต้องกับทั้งตายทั้งเกิดอยู่ที่นั่นนี่คือกอาทุกข์ทำให้เราเพีดหลาบหน้าเบื่อหน้านายคําว่าเพียร์คว่าหลาบคาคําว่าหน้าเบื่อหน้านายก็คือทุกอย่างมันเป็นภาระทั้งนั้นเป็นภาระที่จะต้องรับผิดชอบต้องดูแลต้องรับผิดชอบต้องประกอบต้องบำบัต้องจําทนต้องจํายอมอยู่นั้น เพราะอะไรเพราะเราตกอยู่ในภาวะของกรอบถูกต้องเป็นต้องจํายอมจํารับอเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นเพื่อนเป็นผัวเป็นเมียเนี่ยเก็บก็ไดป่วยต้องเข้าโรงเยาบาลบงเบียบันอุบัติเหตุอุบัติภัยอย่างเงี้ยเป็นมึงเป็นเพื่อนเป็นพวกเป็นพ่อเป็นอะไรเราดูดูแล้วทําให้เกิดภาระ ภารต้องดูแลต้องจัดแจงต้องดูแลต้องอะไรต่อไหนนี่คือสิ่งที่ตามมาความทุกข์กดเพิ่มเข้าไปอีกไอ้คนตายกับทุกข์จนตายแล้วไอ้คนที่เกี่ยวข้องกับคนตายกับทุกข์เพิ่มเข้าไปอีกต้องดูแลต้องแก้ไขเป็นภาระที่ต้องจัดต้องทำสืบเนื่องต่อมานี่คือกองทุกข์ทุกข์ทั้งหลายหน้าเข็ดลาวเพราะเราต้องดูแลเราต้องรับผิดชอบ หมายถึงทุกนอกกายทุกในกายคืออัตตาภพร่างกายของเราโวยแล้วยึ่งต้องดูแลต้องรับผิดชอบเจ็บใข้ได้ป่วยต้องอดต้องทนต้องทำมาต้องหากินต้องเจอปัญหาสารพัดแก้ปัญหาโน้นเหลือปัญหานี้แก้ปัญหานี้เหลือปัญหานั้นแก่อันนั้นจบไปแก้อันนี้จบไปเอาความแก่มันแก้ไม่ได้มันต้องแก่แก่แก่แก่เอาเก็บต่อต้องเก็บเก็บเก็บ ตายใกล้ตายเอาตองตายรังขานในที่สุดคือสลายไปหมดสังขานที่เขาประกอบกันแล้วเนี่ยในที่สุดเมื่องปลายของเขาคือเขาจะต้องสลายออกจากกันสังขานของพ่อของแม่ที่ท่านประกอบกันในท้อแม่ครัตามอยู่ไปอยู่ไปครอบอายุไขหมดอายุไขหรือยังไม่หมดอายุไขแต่ว่าอุบัติเหตุอุบัติภัยซะก่อน ก็ต้องสลายออกจากกันคือตายตายแตกแยกกันสลายออกจากกันเลยนันเอาไปเผาเอาไปฝังเอาไปโยนให้แร้งกามากินเถี่ยวประชฉบผีดิบสายพุทธคารามีก็ไม่มีอะไรในที่สุดก็มีแค่นั่นเองท่านจึงไม่นอนใจไม่เห็นตายใจร่างกายสังขารนี้ไม่คงที่ในตัวของมันเองที่จริงวว่าทุกขงังทุกขงังมันเปลี่ยนไปเรื่อยเปลี่ยนไปเรื่อย ไม่มีใครเปลี่ยนมันเปลี่ยนโดยโดยโดยโด ย, โดยอัตโนมัติของมันเองเป็นอนิจจังทั้งอนิจจังทั้งทุกขังเนี่ยมันเป็นกฎธรรมชาติของมันเองถ้าให้เราดูให้เห็นใน้รู้ใจดูให้เห็นในอัตภาพร่างกายของเราดูให้ให้เห็นในจิตใจของเราเพื่อเราจะได้เข็ดจะได้ลาบจะได้หน้าเบื่อหน้านายและกลับเป็นการไม่นิ่งนอนใจ เมื่อไม่ไม่ยังนอนใจมีก็ดูดูด้วยความเหน็ดด้วยความเหนื่อยด้วยความเบื่อด้วยอวามนายเมื่อมีความเหน็ดเหนื่อยเบื่อหน่ายมันก็คลายจากการยึดมั่นถือมั่นเมื่อคลายมันก็จางเมื่อจางมันก็วิมุติที่เรียกว่าพนจากภาวะที่จิตจะมายึดมาเกาะถือแบบนั้นโอ้ยทิ้งๆิ้งทงทขอทิ้งม่นจะออกจะเหี anything, ้ยวยัยึดจะถือไปทําไมทิ้ง ถ้าจริงให้ตั้งใจภาวนาใเกิดความรู้เกิดความเข้าใจเกิดปัญญาเกิดปัญญายานตัดฉับเข้าไปเพียงเราพิจรารณาให้เกิดความรู้เกิดความเห็นทาให้เราได้เก็บได้หล่าอยู่ในช่องอยู่ในทางอยู่ในวิธีการที่เราตั้งใจมาศึกษามาประพฤติมาปฏิบัติเพื่อเกิดความเบื่อเกิดความหน่ายมาเมื่อเบื่อเมื่อหน่ายแล้วมันก็จะเริ่มคลายเริ่มจางร่างกายอันนี้ เริ่มคลายเริ่มจากจากการยึดมัน่นที่มั่นมาเป็นปกายตนเราเป็นของของตนสมมติเราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งของอย่างอื่นเมื่อเราเห็นโทษเห็นภัยเข้ามันเราก็จะคลายเราจะจางเราก็จะวางเราก็จะละจะวางก็จะปล่อยเราก็ทิ้งแต่เป็นของเราก่ายๆก็ทิ้งง่ายๆแต่ถ้าเป็นตัวกายของเราทั้งกลุ่นเนี่ยก็จะวางอย่างไรวางจากการ ยึดมั่นถือมัน่นว่ามันจะเป็นตัวเป็นตนว่ามันจะเป็นเราดูมันอย่างไม่ไว้วางใจดูมันอย่างให้เห็นเหตุแห่งการตั้งของมันการเปลี่ยนแปลงของมันองราครับมันใช้ไปอะไรอย่างอื่นมันได้ไนายสุดจะต้องแตกต้องจะต้องสลายใจก็ปล่อยใจเข้าวางใจก็ไม่ยึดใจก็ไม่เกาะใจก็ไม่อยากได้ ไม่อยากเกิดไม่อยากได้อีกคือไม่อยากเกิดค้นหาสาเหตุเพื่อเพื่อที่จะทําให้เราเรางจะไม่เกิดเมื่อไม่เกิดเราก็ไม่ตายจึงจะเป็นเหตุขันหัวสอนหัววิถีหัวนําเนี่ยไปหาตัวความอยากได้ความอยากเป็นความอยากเป็นเยื่อใหญ่ของโลกความอยากเป็นเยื่อใหญ่ของสังขารทั้งหลายทั้งปวง เม็ดพูดทั้งหลายมีความหยากมีความหยากมีความอยากเป็นยาที่เขาเรียกว่าเป็นยามีความหยากเป็นยาเป็นยาเหนียวความอยากตัวนี้เลเป็นยาเหนียวความอยากตัวนี้เป็นตันหาตันหานี่เป็นยาเหนียวตัน ห, หาเป็นยาเหนียวาารยกรรมเป็นเนื้อหนา ธรรมกามทั้งหลายเป็นเนื้อหนาะวิญญาณเป็นพืชทั้งเปียบทั้งเปียกธรรมกามเหมือนกับเนื้อหนาะวิญญาณของเราเนี่ยท่ารู้เราเหมือนกับเหมือนกับพืชอตัณหาคือยางเหนียวในพืชยางเหนียวในพืชมันพร้อมที่จะพร้อมที่จะเจริญงอกเงยงอกงามพร้อมที่จะแตกแตกออกมาเป็นแตกจากยอดอ่อนมาเป็นต้นออกแทงลงไปในแผ่นดิน ตามอำนาจของกับเน네ีเพราะฉะนั้นวิญญาณวิญญาณที่ยังมียางเหนียววิญญาณที่ยังมีตันหาวิญญาณนั้นจะต้องไปหาเกาะเกาะ ท, ที่นั่นเกาะที่นีน่จับจองที่นั่นจับจองที่นี่พบชาติที่นัน่นพบชาติที่นี่ความเป็นไปของจิตจิตที่มีจิตที่มียางเหนียวก็ต้องเป็นไปเป็นไปอย่างอย่างนั้นกรรมเป็นเนื้อหนา กำลังเขตเขตังเข็ดตังเปรตวันนาวิญญาณดังพีชําวิญญาณเป็นพืชตันตันห้าเิเน่หอบตันหาบคือสเสนหาเป็นยางเหนียวในพืชพืชเมล็ดพืชใดก็าตามก็ยังมียางเหนียวอยู่ในนั้นพืชเหล่านั้นได้น้ําได้อากาศได้ไออุ่นได้ปุ๋ยได้ดินดอะไรเหมาะสม กพร้อมนี่จแทงเป็นหน่อขึ้นมาจากยอดเล็กๆยอดอ่อนเล็กๆมาเป็นต้นอ่อนจเจริญขึ้นเจริญขึ้นเมื่อเขาได้เหตุปัจจัยพอแล้วเขาจะต้องเป็นไปตามปัจจั ย, ข, ยอของเขายอดอ่อนของพืชนะว่า ม, มีเหตุมีปัจจัยพอมีคาอบอุ่นพอได้น้ําพอมีดินพอพอที่จะแทงรากลงไปเมล็ดพืชตัวนั้นก็จะเจริญ ง, งอกเงยงอกงามขึ้นมาได้แทงเป็นต้นอ่อน แผ่ออกมาเป็นใบเป็นยอดเจริญขึ้นมเลยไม่มีหยุดอยู่กับที่ไม่มีอยู่ยั่งอยู่กับที่ทํางานอยู่ภายในประสัดประสานเหมือนกับระบบระเบียบอวัยวะของเราแต่ะละส่วนแต่ะละส่วนไม่มีอะไรอยู่ของที่ในตัวของมันยิ่งเราดงไปที่ว่าเขาว่าเซลล์เซ ล, ล, ลของร่างกายเซนของกระดูกเซลของอะไรมันมีตัวเซนหมดนั่นคือตัวกลมชีวิตตัวเล็กๆที่มันทํางานประสัดประสานกัน มันไม่มีตัวไหนที่มันอยู่คงที่คือมันคนเราเนี่ยเราลบทางอาหารหมากๆร่างกายก็อ้วนขึ้นอ้วนขึ้นก็คือสิ่งเรานั้นเพิ่มเพิ่มขึ้นพราะเรอดเราอดเราอนร่างกายก็เริ่มสู้เริ่มผอมสิ่งเรานั้นก็ผอมลงผอมลงผอมลงออกลุมชีวิตของมันก็ดับไปบาดดับไปบ้างเหลือบ้างคือรลบปริมาณลงมันก็มีอยู่อย่างนี้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นกับรับน้องเพิ่มขึ้นกับรอบน้อง และท่าทางร่างกายมันมันไม่คงที่มันไม่นิ่งอยู่กับที่มันเปลี่ยนไปไปอนี้จังไปทุกข์ังเพราะฉะนั้พระพุทธเจ้าท่านจึงให้พิจารณาว่าเป็นอนัตตาอนัตตาเพราะเราไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้มันเป็นไปตามกฎของมันก็เห็นที่เราบอกคําบัญชามันไม่ได้นี่เองท่านจึงว่าอนัตตาอนัตตาอนัตตากับสุญญตามันไม่ใช่นเดียวกัน อนัตตาความไม่มีตัวไม่มีตอนอนัตตาคือบังคับบัญชาไม่ได้ไม่ใช่แปลว่าไม่มีมันมีอยู่แต่เราบังคับบัญชาไม่ได้คือร่างกายเรานี่แหละมันมีอยู่ตามภาวะของมันแต่เราบังคับบัญชามันได้ไม่ได้เมือนก็นเราฝันนั่นแหละเราฝันว่าเราพยายามจะลุกทุเรศม่นก็ลุกไม่ได้เพราะความฝันนั้นคือความรู้สึกของจิต เป็นความรู้สึกของจิตเราจะเอาจิตมาบางัาางคับให้กายเนี่ยลุกขึ้นในภาวะที่ปราศจา ก, กจิตจมลงเนี่ยเป็นไปไม่ได้อย่างรักกายกับจิตที่เขาสามารถทํา ง, งานประ ส, ระสานกันก็เพราะว่าเขามีจิตจมลงเช่นอย่างเราจะลุกจะเดิน จ, จ, จะนั่งจะนอนจะพูดจะคุยจะอะไรอะไรมันมีเจตนามันเป็นตัวเจตจนลง มันเกิดการภาะานป ร, ส า, ปรสานั้นสามารถทำงานด้วยกันได้แต่ถ้าไม่มีเกียติตำหนักเจ้านองภายในความฝันนั้นไม่มีเกียติตำนาเกียรตนาบางครั้งเราท้องเสียเนี่ยเรารู้สึกว่าไปเข้าห้องน้ำตอนนั้นก็นแล้วเข้าตรงนี้ก็แล้วเข้าตรนนั้นก็นแล้วไม่สุดเจ้าทีคือผู้รู้คื อ, ค, อคือน า, นามธทําเนี่ยมันพยายามจะทําให้หมดภาวะไอ้ที่ท่านันกับเรื่อง เท่าเสียงมันก็เป็น่ายแล้วนีนแล้วถ่ายแล้วนี่แล้วไม่เสรยจสักทีถ่ายแล้วนี่ก็เห็นคนถ่ายแล้วนี้ก็เห็นคนไม่เสียจสักทีไหนสักตื่นโอ้ปวดท้องท้องนะแม่ใช่ไหมมันมันได้เป็นยังไงผูรู้อันนี้มันมันทำไม่ได้เหมือนอย่างคนที่เขาตายแล้วเขาเขาเปล่าเข้ามาร่างใหม่เขาเห็นร่างกายขขานอนอย่างงั้นนี่สามารถอยากพูดไปคุยกัคนนั้นคนนี้ ก็ไม่มีใครรู้เรองอยากจะดึงอยากจะยกอยากอะไรเห็นกายนี่อนอนอยู่ก็ไม่สามารถจะทำอะไรได้นี่คืออตัตบคือคือจิตใจจิตใจไม่สามารถจะมองคับบัญชาอะไรร่างกายเป็นเพทางใจหวังได้ําไมจิงบังคับบัญชาไม่ได้เพราะคนละเหตุคนละปัจจัยร่างกายก็มีเหตุปัจจัยอย่างของมัน จิตใจเ็ามีเหตุปัจจัยอย่างหนึ่งของมันคนละเหตุคนละปัจจัยแต่ว่าร่างกายที่เป็นผลผลของจิตนั้นร่างกายที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของกรรมที่มีอยู่ภายในจิตมันเกี่ยวข้องกันมันประ ส, ะระสานกันอยู่ในในลักษณะนี้สิ่งต่างๆเหล่านี้เราจะรู้เราจะเข้าใจ ช, ชัดเจนแจ่มแจ้งให้เกิดความสงสัยได้เราต้องภาวนา นี่คือที่มาของภาวนะาภาวนาก็คือตั้งใจมาศึกษาให้รู้ในหะ้เข้าใจตรงนี้การที่เราจะมาพิจรารณาเกิดความรู้เกิดความเข้าใจทะลุปลุกโป ร, ป ร, ป ร, ปร่ไปโดยที่เราไม่ได้ทําใจใสมมตบนั้นมันเป็นไปได้ยากคิดเอาคิดเอาคิดเอาคิดเอ า, ค, เอาคิดเอาอย่างเดียวเหมือนกับเอาผู้รู้เป็นเกณฑ์มันเป็นไปไม่ได้จะต้องเอาผู้รู้มาสมบติก่อนภาวนาะทําสมถะกรรมฐานซะก่อน เผาวนาพุทโธพุทโธพุทโธจิตสงบสักคนใจิตมีกำลังจิตสงบจิตก็มีกำลังถึงเราจะปล่อยไม่ว่าพุทโธก็ตามจิตมันก็ไม่เน้นไม่คิดไม่พรุงพยายามอื่นแต่ถ้าเราไม่เผาวนาพุทโธมันมันก็จิตมันหิวหิวพาเน้นพาคิดพาปรุมไปเรื่องพวกเรื่องนี้อันเป็นเรื่องของตัณหาเกเรนะตัณหาคือเกเรเกเลกคือตัณหา เพรเวลามันเกิดขึ้นมาแล้วผลของมันมันทําให้ใจเราเนี่ยเศร้าหมองเศร้าหมองเศร้าหมองกิเลสเปลว่าความเศร้าหมองกิเลสกิเลสแปลว่าความเศร้าหมองเนี่ยจิตเป็นเป็นเหตุกิเลสมานเศร้าหมองเศร้าหมองยังไงราคะก็เศร้าหมองโทสะก็เศร้าหมองคือจิตใจไม่ปลอดโปรงไม่ผองใสที่จะเรียกว่าเศร้าหมอง ธรรมะทําให้ใจผ่องใสตรงกันข้ามกิเลสทาให้ใจเศร้าหมองทําให้ใจเศร้าหมองเมื่อใจเศร้าหมองแล้วใจก็ไม่ผ่งใสเมื่อไม่ผ่งใสแล้วไม่ทราบเห็นไม่ทราบเหตุปัจจัยที่ทชัดเจนว่าอะไรคือเหตุแห่งอะไรกันแน่มันเหมือนกับน้ำขุ่นหมองไม่เห็นอะไรแก้ไขอะไรก็ไม่ได้ต้องการจะแก้ปัญหาเรื่องนี้แต่ไปแก้ปัญหาเรื่องนั้น ต้องการจะจับวันนี้แต่กลายไปจับอันนั้นต้องการจะแก้ปัญหานี้แต่กลายไปแก้ปัญหานนแก้ปัญหาให้หมดความทุกข์ยากความลำบากแต่กลับไปก่อให้เกิดความทุกข์ยากความลำบากเจ้าเหตุจับปัจจัยไม่ชัดเจนภายในจิตของตัวเองเพราะมันมีกิเลสทำให้จิตใจคุณมัวเศร้าหมองไปหมดไม่ผ่องไม่ใสทันทงให้จิตสงบให้ภาวนาห้จิตสงบมันจิตสงบจิตก็ผ่องใสเมัอนน้ำที่ถูกควร ตอก่อนก็เริ่มรองนั้นการ่วมลงอ่านการ่วมลงอั้นการ่วมลงก็เริ่มเห็นเหตุเหตุปัจจัยเราสามารถเดินตามเหตุตามปัจจัยได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งได้แล้วก็แก้ไขเหตุที่ทุกข์ยากลําบากเหตุที่เป็นไปเพื่อความอยากเหตุที่เป็นไปเพื่อพบเหตุที่เป็นไปเพื่อฉาดถึงสามารถจะแก้ไขได้ไตรองเป้าได้ถ้าที่ให้ภาวนา มอาหายใจสงบพุทพุทโธพุทโธก็มันรบาหายใจเข้าระหายใจออกแต่ทําให้ใจได้รับความสงบโดยปกติจิตมันไม่สงบเพราะอะไรเพราะมันหิวจิตมันหิวถ้าเราอยากเที่ยวความอยากคือลักษณะของการอหิวของจิตจิตมันอยากจิตมันหิวแม้ว่ามันหิวมันหิวมันหิวอะไรจิตนะมันหิวอารมณ์อารมณ์ก็คือสิ่งที่มันไปเกี่ยวข้องนั่นแหละ เราจะจับอารมณ์ให้มันอยู่จับอารมณ์ให้มันมาอยู่กับอารมณ์พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเราจะไม่ให้มันนึกมันคิดไม่ได้เราต้องให้มันนึกมันคิดอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เป็นอารมณ์ของธรรมพุทโธพุทโธพุทโธธรมโมธรรมโมธรรมโมสังขูสังขูเหมือนเดียวกันมันกจิตมันอยู่เมื่อจิตอยู่มันจิตอยู่อยู่นานๆไปมันก็เริ่มอิ่มที่เรียกว่าปีติคือมันอิ่ม เราเทียบมันก็รับทานอาหารรับไปรับไปรับไปมันจะต้องอิ่มเมื่อมันอิ่มันก็ไม่อยู่เมื่อมันไม่หิวเราไม่บริกรรมมันก็ไม่ไปมันอยู่โดยปกติมันหิวเมื่อไหรามันงกิเลียดพอเราปล่อยปั๊บเกลียดถึงไปแล้วปล่อยปลอยปั๊บเกลียดดึงไปแล้วทำไมถึงไปเพราะมันหิวมันอยู่เมื่อมันสงบมันเริมสงบอารมณ์ของกิเลดที่มายุ่ยใหญ่จิตมันก็เริ่มสงบตัวนี้สำคัญถ้าเรามองไม่เห็นตรงนี้เราก็ไม่มี ไม่มีกิเิสใจยิ่งไปได้ยินได้ฟังบาคนมาพูดว่าโอ้ยส ม, มถกสมถะเสียเวลาส ม, มถะเสียเวลาแสดงว่าไม่รู้จักคุณค่าและคุณสมบัติของส ม, มถกไปปฏิเสธทุกตัดไปตัดปฏิปทาที่บุูที่าท่างสอนให้ควกเราทำออกตัดมรรคแปดออกให้เหลือมรรคเจ็ดนะเกินาศาสดาเกินาศาสดา ส่เหตุต้นตอไปอย่างไหนไปจา ก, จากความไม่รู้ไม่เข้าใจของตัวเองบุตรีเจ้าท่านสอนให้จิตสงบมีสมาธิจากนั้นยกจิตที่มามีสมาธิยกสังขารทั้งหลายมาพิจรารณาจิตเอาจิตที่สงบนั่นเป็นกําลังมาพิจรารณาเกิดความร้อนร้อนสังขารหล่านั้นเกิดขึ้นจะเห็นนั้นสังขาร น, นั้นเกิดขึ้นเหตุนั้นเกิดขึ้ น, อ ย, น, นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจะได้รู้จะได้เข้าใจไปเรื่อย รู้เข้าใจเพื่ออะไรเพื่อไม่นิ่งนอนใจนั่นแหละให้เห็นให้เห็นอ น, นิจจังเห็นความเปลี่ยนแปลงของมันให้เห็นทุกขังเพื่อจะได้ดึงตัวออกจากทุกข์ดูให้เห็นทุกข์ขันแล้วไปยอมรับโอ้ร่างกายนี้เป็นทุกขังไม่ใช่ว่าฝืนถ้าเราฝืนก็คือฝืนหลักธรรมชาติฝืนหัธรรมชาติยิงย่งฝืนยิ่งทุกขยิง่งฝืนยิ่งทุกข์ร่างกายเป็นอนิจจัง แล้วกลายเป็นทุกข์ขมดูให้เห็นตามความเป็นจริงของมันแล้วก็ยอมรับว่าโอ้ใช่มันเป็นอย่างนีนนนจง้จริงมันเปลี่ยนแปลงจริงมันไม่คงที่อยู่จริงๆยอมรับตามที่มันเป็นจริง <c oughs> เขาเรียกว่าไม่ฝืนไม่ฝืนกฎข อ, นาานของธรรมชาติไม่ฝืนหลักของธรรมชาติพอยอมรับแล้วหาวิธีออกอย่างนึงโ อ, อ, งโอ้อันนี้จำทุกข์ขมอันนี้จําทุกข์ขมนี่แหละเป็นอนัตตา เมื่อรู้ว่าเข้าใจอย่างนี้ก็เท่ากับเราเราเข้าใจคําว่าอนัตตาเป็นอนัตตาตพุทธวิญญาณพระพุทธเจ้าท่นทรงตรัสอันนี้จังยังไงทุกขังกันนั้นทุกขังอะไรอนัตานนตาอะไอนัตตาไงอันนี้จังทุกขังอนัตตก็อันนั้นรวมไปแล้วเป็นอันเดียวกันแต่มันมีลักษณะภาวะเป็นสามไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็เป็นอนัตตาอันนี้เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งที่ทําให้เราพิจารณาเห็นแล้วทําให้เราเกิดความเบือ่อหน่ายคลายจางต่อ ดับภาับร่างกายเบื่อหน่ายต่อพบต่อชาติต่อความเป็นอยู่เพื่อที่จะได้ถอดถอนกิเลสตัณหาตัณหานี้มันเคยมีมากไม่ในหัวใจหยัดเบาลงเบาลงเบาลงและมันความอยากไม่มีกิตนี้มันก็ไม่ต้องมีมากไม่อะไรที่จะมายุยดยุยดจิตอให้จิตทุกข์จิตก็จะเริ่มบริสุทธิ์มันไม่มีสิ่งนั้นมาปกไม่มีสิ่งนั้นมาปิดไม่มีสิ่งนั้นมาบังไม่มีสิ่งนั้นมาเคลือบไม่มีสิ่งนี้มาแฝง จิตตรงนี้ก็เป็นอินสรัพสีที่มาเคลื่อนมาแฝงก็คือสังขารทั้งหลายนี่แหละชาออกชาบออกชาบออกแจิตผู้รู้ผู้บริสุทธิ์อันเดียวไม่ต้องเป็นส่อกับอันใดความทุกข์ก<ม>็หมดกำลังของกิเลสที่เราเคยเผยเคยอยู่ภายใต้อำนาจของมันอยู่ภายใต้อำนาจของกายอันนี้ซึ่งเป็นผลผลของกิเลสอย่าลืมว่าร่างกายของเราของท่านเป็นผลผลของกิเลส กิเลที่เป็นไปในในในประวัติการคือสามารถไปอุบัติเป็นพวกเป็นชาติได้แต่า ก, การอุบัติเป็น ม, มนุษย์มมมก็เป็นธรรมอย่างหนึ่งเป็นธรรมอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าเป็นผลของกิเลไม่ใช่ธรรมมันก็เป็นธรรมอย่างหนึ่งเป็นพื้นเป็นบาตรเป็นฐานอย่างหนึ่งที่ทําให้เราสามารถสอบหาหนทางได้เพื่อที่จะไปให้พ้นจากภาวะนี้ มันก็เป็นธรรมอย่างหนึ่งเป็นธรรมชนิดหนึ่งถึงแม้ว่าจะเป็นธรรมนาไปสู่พบนาไปสู่ชาติใหม่ก็ตามแต่ก็เป็นธรรมที่ท่านเรียกว่ามีธรรมมนุษย์มีธรรมเป็นมนุษย์เสียธรรมมีมนุษยเสียธรรมสัมมามเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์อยู่ท่ามกลางแห่งการพัฒนาพัฒนาไปสู่ที่เลวก็ได้เป็นพัฒนาไปสู่ที่ดีดีเยี่ยมดีสูงสุ ด, สดก็ได้อยู่ท่ามกลาง บนทางที่ทําให้เราพัฒนาตัวเองได้การปฏิบัติการปฏิบัตินั้นจะต้องสํารวมระวังที่เรียกว่าสํงวรสัวรสัวรเริ่มมาตั้งแต่การสังวรในสินเพราะว่าสิลแต่ละข้อแต่ละข้อก็เป็นธรรมแต่ละข้อแต่ละข้อสินข้อนั้นท่านให้เราศึกษาแล้วก็ปิดกั้นข้อนั้นข้อนั้นข้อนั้นข้อนั้นถือว่าเป็นช่องเป็นช่องเป็นช่อง กิเลสมันจะทะลักออกมาตามช่องนั่นแหละเช่นอย่างพระราชิกสีเงี้ยฆ่าสัตว์ฆ่ามนุษย์ให้ตายเสียไม่ถุนฆ่ามนุษย์ให้ตายลัของเขาอ้วนอุ ต, ตรีมุสุธรรยแต่ละข้อแต่ละข้อล้วนเป็นกรรมที่หนักเพราะนักใครไปต้องแต่ละข้อแต่ละข้อเน่ยพระสงฆ์ไปต้องแต่ละข้อข้อใดข้อหนึ่งขาดจากความเป็นพระจากขาดจากภาวะความเป็นพระพระภิกษุเพราะอะไรเพราะความเรวของจิต ด, ดวงนั้นเนี่ย มันเลวเกินที่จะมารับภาระความเป็นภิกษุท่านยึงว่าขาจากความเป็นภิกษุมันขาจจากจิตคือจิตไม่มีทรรจิตจิตขาดคุณธรรมข้ามรุนแหงตายก็ถือว่าร้ายกาจอย่างยิ่งเศรษฐุถุนนี่ก็ถือว่าเป็นธรรมที่ยากมากไม่สามารถปิดที่จะพาไิสู่ธ ร, รรมที่ละเอียดได้อวดอุทรมุชธรรมความยากมันยิ่งใหญ่ ขวดคุณมิสิสเพื่อคนอื่นเขารเริ่มใส่ศรัทธาเพื่อล่ำสักการะนี่คือมาเอาความอย่างตกเยี่ทั้งทุนเพราะพระชนะใครไปร่วงแล้วหมดแต่ละข้อละขถือว่าคนนั้นหมดหมดสภาพตะโกนธรรมะกินให้เรียกว่าล้อมละลายหมดหมดเนื้อหมดตัวหมดหลักประกันหมดหลับซับล้อมละลายหมดเนื้อหมดตัวหมดความหมดภาวะความเป็นมนุษย์อหมดภาวะความเป็นทิกสุข ไม่มีสังวาสอยู่ด้วยกันก็ไม่มีสังวาอสังวาสักสังวาโซโ่ไม่มีส่วนเหลือไม่มีส่วนเหลือความเป็นภิกษุข้อใดข้อหนึ่งไม่มีส่วนเหลือละเอียดนะละเอียดอันนี้เป็นช่องทาง ข, า there, m, ของกิเลสที่มันแสดงออกมาแต่ละช่องมา็นช่องจึงต้องสารวมสำวรระมัระวังเรื่องศีลศีลวัดใดที่เราเสียงที่สุด ปาชิกสี่สงกายเศษสิบสามอันยอะสองอันสี่ไป ย, ต, 96, ปยตีสาิไปยตี้าสิบสองไปเทศิริยะสี่เสษีวัดเจ็ดสิบห้าสิบขาบนในปาติโมกนอกปาิโมกอีกห้า6้0ยหร้อยหรือเป็นพันพันสิขบข้ามบนสิขบข้ามที่มานอกพระปาิโมก <c oughs> แต่ละช่องแต่ละชองคือกิริยาที่กิเลมุนจะพิ่มเกิดขึ้นผู้ทธ่จารสงฆ์มันิยักมัติยักมันยแต่ปัญหยัอย่างมีเหตุก่อนถึงบัญญยัตาม ไ ม, ไ, มไม่ใช่ไปตั้งไว้ก่อนไม่ใช่ไปตั้งไว้ก่อนเหมือนเขาร่างอะไรร่างอะไรขึ้นมาาเพื่อเพื่อที่จะปกครองเมืองร่างกฎหมายขึ้นมาเพื่อที่จะของเขาไม่จะไปทําขึ้นก่อนแต่พระเจาท่านทรงทําตามเหตุมีเหตุเกิดขึ้นแล้วว่าวันนี้เกิดขึ้นแล้วองนี้นะฮะนี่มันใหญนะต่อไปใครทําอย่างนี้ไม่ได้ค้อนั้นเมื่อเห็นมีมีมีแต่รัิกาลบอกเมื่อมีเหตุเกิดขึ้นพระก็จะทรงประชุมสมกับมันใหญ่ มีเเกิดขึ้นประชุมสงฆ์ก็บัญญัติบัญญัติบัญญัติญญญญญญญเพราะช่องนี้มันเป็นช่องออกของกิเลสแต่ละข้อแต่ละขอ้ะขอศีจึง <c oughs> <c oughs> ม, มีความสําคัญอย่างนี้เราพูดถึงศีลมากๆทำให้เราหาใจยากเราพูดถึงศีลไม่น้อยแค่ศีลห้าปาณาฆ่าสัตว์นี่อธินารักทรัพย์กาเมพระพพระพุท ธ, ธผิดเกี่ยวกับกามมนุษย์ทาอะไรเสียกบกามเมื่อเสีบแล้วก็อาศัยอํานาเอาความอยากไม่มีประมาณ ไม่มีขอเขีตมุสาพุทธพุดวก็กินเหล้าสุราสุรากินเหล้ารู้อยู่ว่ากินไปแล้วมันเมาแล้วทำลายสติเสียมรารยาเสียความประพฤติแล้วก็บรรทรนปัญญาแต่เราก็ยังฝาบท่านจึงปลับขาดขาดจักสินไม่มีสินเราความแค่สินอ่านเราจะอภใจง่ายมันก็มาจากคำนั้ของเจริสความอยานั้น ปานาคือฆ่าเพราะความอยากฆ่าเพราะปัญหาที่ความอยากอยากประหยัดถึงเงี้ยกินหนังของมันถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากนี่เปอย่างฆ่าคนถ้าไม่อยากถ้าไม่ฆ่าดยความความอยากก็ฆ่าด้วยความโกรธเนี้ยฆ่าคนฆ่ามนุษย์เห็นไหมร้ายกาจเป็นกายกิจกรรมมาเป็นวิจิกรรมขึ้นมาทินารักษัพน์ลักพ่อใหญ่ของความรู้ กาเมก็คืออะไรก็คือเพราะความโลภนะฮะตัวโลภที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพูดแท้พูดโกหกเพื่อได้มาในสิ่งที่ตนเองต้องการนะะไหมเพราะอำนาความโลภรือชลาคับเพรา น, นอำนาจความโลภแต่ละอย่างสี่ง้นมันเกี่ยวข้อกับธรรมทุกข้อทุกข้อเพราะฉะนั้นสิน่งทีเราก็เราจะต้องสํารวมระมัดระวังมันเป็นการช่วยช่วยปิดช่วยกัน้นช่วยห้าม กิเลสที่จะพึงเกิดขึ้นภาในจิตได้ได้อย่างมากมายนะการรักษาศีลเพราะฉะนัน้น ก, การรักษาศีลมันจึงเป็นเหตุใกล้เข้ามาถึงการประพฤติปฏิบัติธรรมท่านจึงเห็นรักษาศีลเพราะเห็นศีนลนุนสมาธิสมาธินุลปัญญามันเป็นมันเกื้อกูลเกี่ยวกับเรื่องปัญญาเรื่องสติเรื่องปัญญาเรื่องงานที่เราจะเข้ามารู้มาเห็นมาเข้าใจ การตั้งใจรักษาศีลปสัมโภต้องระมวังสํารภชด้วยศีลสํารวชด้วยสติสติสํงวรสัมโภชด้วยญาณญาณสังวรสํารวมัดระวังําหรัจดจ่อพิจิตรณาให้ควรต้องสํารวมัดระวังการสัมโภชระมัดระวังนั้นมีผลที่กิจมีผลที่กิจแล้วก็ ส่งผลมาที่กายเป็นเหตุให้กายได้สํารวมลธรรมะระวางเปิด้วยเป็นเหตุมาที่วาจาทําให้วาจาได้สํารวมลธรรมะระวางไปด้วยแต่สํารวมที่กายอย่างเดียวสํารวมที่วาจาอย่างเดียวทําให้เราไม่ผิดศีลแต่ถ้าหากเราไม่สํารวมใจเราไม่ผิดศีลแต่ว่าเราผิดทรรเพราะใจเราไม่สัวมนึกคิดด้วยเปอือยอยา่างหนึ่งข้างในนั่งอยู่คนเดียวก็นึกคิดไปไม่มีใครเห็น แต่ถ้าแสดงมาทางกายคนอื่นเห็นรู้เกี่ยวข้ อ, ของแสดงมาทางวาจาคนอื่นเห็นรู้เกี่ยวข้ อ, ของเหือมของบาปที่มันจะมันแสดงบอกแสดงภายในจิตของตัวเองทับถมจิดของตัวเอ ง, อ ง, อ ง, เองแสดงแสดงแสดงว่ามากแสดงว่ามีดั ก, กิเลสนาปุกอยู่ข้างในตัวเป็นมิจฉาทิฏฐิดำหมดทั้งดวงไม่ไม่เป็นสมมาทิฏฐิรู้เข้าใจอะไรในสิ่งที่ชอบที่ดีงามไม่ได้ นี่คือขอ ง, งความคิดของจิตเป็นไปตามํามอำนาจของกิเลสเพราะฉะนั้นท่านยังไงสงวรรักษาสิ่แล้วก็มาตั้งใจปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติปิดกั้นข้างในไม่ให้กิเลสมัเกิดขึ้นข้างในคือสงบทำใจให้สงบการที่จิตสงบก็คือปิดกั้นกิเลสได้กิเลสมันแสดงที่กิตของเราไม่ได้แต่มันไม่อยู่ตลอดไปพอเราไปรู้ไปเหตุปอะไรตอนไหเนื่องจากว่าเราไม่เห็นสาเหตุต้นตอที่แท้จริงของมัน มันเลยเลิกไม่ไดไม่เห็นเห็นไม่เห็นปัจจัยที่แท้จริงจนกว่าเราจะดูไปให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของมันนิจจังทุกครั้งนะจ๊ะเราถึงจะจึงจะเกิดการเข็ดการหลับการเบื่อการหน่ายการคลายการจางแล้วก็มีการถอนมีการถอนถอนตัวออกมาจากการยึดจากการถือสิ่งนั้นนั้นของนั้นนั้นสิ่งนั้นนั้นคนนนั้นร่างกายนี้ พิจารณาเนร่ากายเห็นแต่ว่าสักเพว่าเป็นเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นท่าเป็นขันการนึกการคิดที่เรียกว่าสักกายอาิติมันก็เริ่มเบาไปเบาไปเบาไปเห็นว่าไม่ใช่กายเห็นว่าไม่ใช่เราเห็นว่าไม่ใช่ของของเราเห็นเป็นเหตุเห็นเป็นปัจจัยอย่างอื่นแท้เนี่ยเพราะฉะนั้นการยึดถือตัวเองมันก็เบาไปเบาไปเบาไป ทำอย่างต่อเนื่องนั่งภาวนาะก็ทําเดินก็ทํายืนก็ทําเดินยึงกรอบก็ทํานั่งภาวนาะก็ทําอยู่ในท่าใดอิริยาบทใดก็ตามสัรวมมาที่จิตอสั่งรว ม, มให้กิเลมันปยุยญใจิตจิตก็สงบได้สงบได้โดยที่ไม่มีกิเลมเข้าไปยุยงใจจิตไปก่อควาจิตจิตก็จะเริ่มเป็นอิสระเมื่อจิตเริ่มเป็นอิสระเท่ากับว่าเราเอาดวง ร, วงรู้ดวงอุรู้ดวงอัศจรรงนี้มาใช้ประโยชน์ มาทํางานพิจารณาเพื่อทํำลายความรุ่มหลงของตัวเองนี่คือกติความเป็นไปของกันประพฤติธรรมของการปฏิบัติธรรมพวกเราได้ยินใน้ฟังแล้วตั้งใจโยนิสงสิการเอาความสำลวดรวมระมัดระวังเข้ามากับที่กายของเรากับที่วิญญาของเราเกี่ยวกับเรื่องศีลกํากับที่จิตของเราเกี่ยวกับเรื่องของการภาวนาสมถภาวนาเขาต่างวิปัสสนาภาวนาเขาต่าม รับมหาสติปัฏฐานทั้งสี่เป็นไปเพื่อวิปัสนาภาวนาเพื่อปัญญาตามรูปตามเห็นกายเวทนาจิตเพื่อให้เห็นเหตุเหตุปัจจัยที่เราหลงไปกับกายกับเวทนากับจิตเนี่ยหลงยึด้องถือกายหลงยึด้องถือเวทนาหลงยึดหลงถือจิต ก, ก็เพราะเราไปติดตันยอมเป็นใบอของเงินที่มันกลมอำนาจภายในจิต เราเลยต้องย้อนมาพิจรารณาดูกิตเพื่อเกิดความรู้เกิดความคล้องใจจะได้เห็นแ่ะเห็นปันจจัยอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนความทุกข์ทั้งหลายทุกวงที่จะถูกตา ม, มามันก็เบาไปเบาไปเมื่อวเวลาเราเรียนเราฉลี่เราขัดเราเกลียวจิตขตัวเองก็เกิดความรอบรู้เกิดความฉลาดยความทุกข์ทั้งหลายก็เริ่มเบาไปเบาไปนี่คือข้อปฏิบัติให้ทุกคนต้ององอกต้องใจนะต้องคนเยวาวราช